ตามแนววิสุทธิพื้นฐานบาทของศีรวิสุทธิจิตวิสุทธิเนี่ยเป็นบาทให้ทำยาตะปริญญาตรีณะปริญญาและปหานะปริญญาการกำหนดรู้สิ่งที่ควรกาหนดรู้ด้วยยาตะปริญญาเป็นต้นนั่นแหละเป็นการศึกษาการปฏิบัติเพื่อจะได้ละในสิ่งที่ควรละถ้าเราไม่กำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้เราจะไม่ได้ละสิ่งที่ควรละ เมื่อไม่ละสิ่งที่ควรละและวจะทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะกําหนดรู้นามรูปกําหนดรู้ขันท่าอายตนะ12บท่าสิบแปดอินสีทั้งหลายปฏิจจสมุปาทั้งหลายหรือแม้กระทั่งพิสดารก็คือธาตุทั้งหลายผมผลเล็บฟันหนังโดยธาตุสโดยอาการ42แล้วก็ขยายมาเป็นภูตรูปและอุปาทายรูปพันกว่าเนี่ยนะก็กระจายกระจายกระจายออกไปซึ่งเป็นการจําแนก การกาหนดรามรูปเหล่านี้เพื่อละอะไรละสกายทิฏฐิละส ก, กายทิฏฐิที่สำคัญว่ารูปนามขันห้าอายตนะสิบสองพหสิบแปดว่าเป็นตนเป็นเป็ น, ปนตัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาซึ่งจริงๆแล้วขันห้าเป็นอัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาไหมผมใช่ไหมเป็นอัตตารูปใช่ไหมเป็นอัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมเป็นอัตตา อัตราคือขันห้าใช่ไหมหรืออัตราอื่นจากขันห้าขันห้ามีอยู่จริงแต่สัตว์ทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดว่าขันห้าเป็นอัตราเหมือนเข้าใจผิดว่านาฬิกาเนี่ยมีคนไปอยู่ไขาลานในนั้นนะนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นเป็นระบบเป็นกลไกใช่ไหมขันห้าทั้งหลายก็คือสิ่งที่ประกอบจากปัจจัยขึ้นดงั้นการที่กําหนดรู้ขันห้าอย่างเช่นเนี่ยเราลืมตาในทวารตาเนี่ย กำหนดแยกแยะได้เลยว่าอะไรคือรูปนามอันนี้ย่อที่สุดเลยนะย่อย่อย่อยจริงๆเลยเหลือรูปนามขยายเพิ่มเป็นเนี่ยอะไรคือขันห้าขยายเพิ่มเป็นอายตนะอะไรเป็นธาตุแล้วธาตุขยายเพิ่มอีกธ า, นะาตุสี่สิบสองเป็นต้นแล้วในแต่ละธาตุประกอบด้วยรูปเท่าไหร่เนี่ยนะแล้วจนพิรกว่าย่อขยายย่อขยายพี่าจรนาอย่างนี้แล้วคูณทุกทวนร พิจารณาทั้งทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจพิจารณาทั้งภายในและภายนอกพิจารณาให้เห็นความเป็นขันธ์อายตนะธาตุาทั้งอดีตและอนาคตว่าคือการประชุมของขันธ์ธาตุอายตนะที่เราเรียกว่าสังสารวัตที่เราเรียกว่าสังสารวัตความเข้าใจอันนี้ถ้าเรามีอยู่เราก็รับสัมมาทิฐิเบื้องต้นของพระพุทธเจ้ามารับอะไรนะ ที่ถีวิสุธทธิ์ของพระพุทธเจ้ามาความเห็นอันนี้เมื่อไรหนอเราจะมีความเห็นเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าวะมันเป็นอย่างนี้จริงๆปฏิเสธไม่ได้มีความเห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าฆ่าให้ตายเราก็บอกว่ามันเป็นอัตตาไม่ได้ เพราะอะไรเพราะมันเป็นขันธ์ห้าประชุมกันเป็นอายตนะประชุมกันอดีตมันก็คือขันธาตุอายตนะอนาคตต่อไปมันก็คือขันธาตุอายตนะปัจจุบันที่มันเห็นอยู่ไม่ว่าจะทวารไหนก็ตามก็คือขันธาตุอายตนะเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ขันธ์าตุอายตนะอดีตชาติกี่ชาติก็คือขันธาตุอายตนะอนาคตพบต่อไปก็เพื่อขันธาตุอายตนะชีวิตที่ดำรงอยู่เมื่อสิบยี่สบปีหรือปัจจุบันขณะนี้แต่ละทวารก็คือ ขันธาตุอายตนะใครให้เราเปลี่ยนเป็นอื่นเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นขันธ์าตุอายตนะจริงๆมันเป็นสังขารธรรมจริงๆย่อลงมาก็เหลือแต่ความเป็นนามกับรูปนามกับรูปทีนี้ถ้าย่อลงมาเหลือนามกับรูปแล้วนามมีกี่ประเภทนามที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะที่เรียกว่าวิบากและกิริยาะนามที่เป็นกุศลเกิดจากปัจจัยอะไร นามที่เป็นอกุศลเกิดจากปัจจัยอะไรนามที่เป็นวิบากเกิดจากปัจจัยอะไรนามที่เป็นกิริยาเกิดจากปัจจัยอะไรก็มากําหนดอีกครั้งหนึงที่นี้นามมาทําทั้งหลายนามเป็นนามที่ทั้งที่เป็นอดีตนามที่เป็นอนาคตนามที่เป็นปัจจุบันนามอดีตก็ก็แบ่งออกเป็นสีชาติเนี่ยกุศลอกุศลวิบากกิริยานามปัจจุบันก็แบ่งเป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยานามอนาคตต่อไปมันก็มีอยู่สี่ชาตินี่แหละนะไม่มีชาติพรามแพทย์สูตรหรอกมันมีแต่ชาติกุศลอกุศลวิบากกิริยา นามที quer, might, standby, meeting, ่เป็นอกุศลเนี่ยนะจะเมื่อดีดอดีตนานปานใดมาก็ตามก็มีอะโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้มีเป็นปัจจัยนามอนาคตถ้าอกุศลจะเกิดก็มีอะโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้นามปัจจุบันนี้ถ้าเราจะโกรธสักเรื่องหนึ่งก็มีอะโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้จะโลภจะโกรธจะหลงอะไรก็ตามมีอะโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้ นั้นอกุศลในอดีตมีอโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้น้ำในอนาคตมีอโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้น้ำปัจจุบันที่เป็นอกุศลนะมีอโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้อโยนิโสมนัสิการในปฏิฆานิมิตเป็นอาหารของโทสะอโยนิโสมนัสิการในสุภาษณิมิตเป็นอาหารของโลภะใส่ใจในอารติเป็นต้นเนี่ยนะความ อะไรนะความอืดความอิ่มความมึดอะไรเดี๋ยวถีนะก็เดี๋ยวก็ง่วงหลับอากาศเย็นสบายโยมก็แม่ไม่ค่อยอยากเข้ามานั่งฟังธรรมในห้องเลยเราบ่างั้นนะเพราะอะไรนะนึกถึงห้องเย็นๆเมื่ อ, อไหรก็นะต้องไปตากแดดออกบ้างนะเหงื่อออกบ้างอะไรบ้างยังจะอยู่ดีอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้านามที่เป็นวิจิกิจฉาก็อายโยนิโสมนัสิการในวัตถุ ท, ที่ที่ตัวเองสงสยัยพันสรุปว่า โลภะโทสะโมหะอกุศลใดๆก็ตามเกิดจากอะโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้ความโลภโกรธหลงในอดีตก็มีอะโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้สิบปียี่สิบปีชาติต่อต่อไปถ้าจะโลภจะโกรธจะหลงก็มีอะโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุใกล้ใส่ใจถ้าโลภถ้าโกรธก็ปฏิฆานิมิตนี่ไม่น่าชอบใจก็โกรธนี่น่าชอบใจก็โลภเนี่ยนะอะโยนิโสมนัสิการก็มีเหตุใกล้ทาไม ก็เพราะไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมอะไรเลยไม่มีศรัทธาที่จะประพฤติกุศลธรรมแล้วทําไมจึงไม่มีศรัทธาจาเมื่อใดก็ตามก็มาจากอฟังอสัตธรรมโกรธนี่ดีนะมันจําเป็นต้องโกรธโลภอา้ามันจําเป็นอ่ะมันจำเป็นม น, นมีเหตุผลจนต้องโลภต้องโกรธและหลงเพราะฟังอสัตธรรมมามากขนาดนั้นทําไมเพราะโลกนี้เราได้มีโอกาสคบพระพุทธเจ้าน้อยนะักพระองค์ทรงได้พระนามว่ายักษ์กะ เพราะอะไรเข้าพบยากนะตอนนี้เข้าพบง่ายไหมก็ไปพบพระธาตุนะจะไปกราบพระธาตุยังเข้าไปกราบยากเลยไปเชื่อรองไปวันนี้เนี่ยไปไว่าที่นคนปรปฐมเนี่ยไม่ใช่จะเข้าไปได้ง่ายๆนะถ้าเคี่ยวแก้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายแล้วแต่ละแห่งนะั้อย่างไปไหว้บนภูเขาทองก็ไม่ใช่จะขึ้นไปง่ายๆเนี่ยไปนี่แคนดี้นี่ต้องรอเวลานะไปบางแห่งนี่ต้องรอเวลาเขาเปิดไม่งั้นไม่ใช่พบได้ง่ายๆเพราะพระองค์ทรงทายพระ น, นามว่ายักษ์ขะเข้าพบได้ยากเนี่ย เมื่อเราครบพระพุทธเจ้ายากเราครบใครง่ายอุ้อสัตว์บุรุษเนี่ยทางนี้ทางนี้นว่างๆมามาท่านี้โลง่งสะดวกสบายอุ้ยดีเ้าก็เลยกวักนะโบกมือเรียกกันควักไข่ไปหมดเลยนะก็เลยเข้าสู่ทางแห่งคนผ่านมันก็เลยส่องเสพแต่คนผ่านเราไม่ได้ส่องเสพพระรัตนตรยัยเมื่อไม่ส่องเสพพระรัตนตรายใจเราจะเป็นอะไรนอกจาก อกุศลเพราะฟังอสัตยธรรมเพราะเมื่อคบคนพานเมื่อไหร่อย่างที่เมื่อวานเขาสนทนากันเพราะเราเข้าสมาคมของคนพานก็เลยต้องมัวแต่ระวังรักษาศีลเพราะถ้าเราไ ป, ไปใกล้บัณฑิตนะข้พระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวเราจะได้เพอเจอร์ไม่มีโอกาสได้เพอเจอร์เด็ดขาดแต่แสดงว่าถ้าเราต้องเพอเจอร์แสดงว่าสมาคมที่เราเกี่ยวข้องไม่ใช่บัณฑิตมันเราก็อับประมงคนนั่งแต่ข้อแรกอยู่แล้ว วิจิวิจารณญาณเราวิบัติว่านี้นี้บัณฑิตนะเราต้องคบกับเขาต้องไปใกล้ชิดเขาเราต้องไปคอยเพ้อเจอให้เขาฟังอันฉลาดตรงไหนทําไมเราอุ้ยให้ให้ค่าเลอะเกินกับคนพา น, นที่พระพุทธเจ้าบอกไ ม, ไม่ไม่ตรงกันข้ามเลยนะใช้พฤติกรรมที่ตรงกันข้ามมันที่ใดที่เราต้องระวังมากรักษาศีลมากให้รู้เถอว่านั่นคือสมาคมแห่งอาศัตบุรุษนั่นคือสมาคมแห่งคนพาน ฟันในมงคลท่านจึงบอกว่าการครบกับคนพาลเนี่ยมีโทษยิ่งกว่าโหนั่งใกล้ๆศัตรูผู้เงือดับที่จะฟันเพราะฟันให้ศีลของเราตกทันทีฟันให้สมถะฟันให้วิปัสสนาของเราร่วงโรยร่วงหล่นทันทีฟันสมาคมแห่งคนพาลเนี่ยยิ่งยิ่งกว่าดื่มยาพิษซะอีกเนี่ยนะแต่สมาคมกับบัณฑิตก็มีอุปการะยิ่งกว่าแม่อีกอ น, นะ เพาะเราต้องเลือกเลือกเลือกให้เป็นถ้าเราเลือกไม่เป็นก็โต้ไพลกับโตภัยแล้วกันนี้เพราะฉะนการการที่รู้ปัจจัยของกุศลและรู้ปัจจัยของอกุศลเนี่ยนะตัวนี้สําคัญมากเพราะนามมาทําทั้งหลายทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันนามทั้งหลายเหล่านี้ก็ก็เกิดจากปัจจัยอย่างที่กล่าวไปทีนี้ก็มาไล่ดูว่าถ้าปัจจัยแห่งนามที่เป็นกุศล นามที่เป็นกุศลเนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้นะโยนิโสมนาสิการโยนิโสมนาสิการมีอะไรเป็นเหตุใกล้ศรัท ธ, ธาเป็นเหตุใกล้ศรัท ธ, ธาก็เกิดจากการฟังอย่างดีเป็นเหตุใกล้ที่ได้ฟังก็เพราะคบสัตร์บุรุษที่คบศาสตร์บุตรเพราะเลือกที่เป็นเช่นเราไม่เลือกไปนั่งในห้างเป็นต้นก็เพราะแตงเราเลือกที่เป็นเลือกที่ฟังธรรมแทนกันนะก็เลยเลือกเป็นเพราะได้อยู่ในปฏิรูปประเทศเมื่ออยู่ปฏิรูปประเทศก็แสดงว่าสังสมบุญไว้ดีอ่าพันบุญเก่า บุญเก่าที่ทําไว้ในปางก่อนปุเพกะตะปุญญาตาเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่มีสำคัญที่มีกําลังมากทําให้เราได้อยู่ในปฏิรูปประเทศประเทศที่สมควรได้คบกรัลยาณมิตรในฟังพระสัจธรรมเมื่อฟังพระสัทธรรมเกิดความรู้ความเข้าใจมีโยนิโสมนัสิการเมื่อมีโยนิโสมนัสิการอย่างนี้เกิดขึ้นฮีเรโอตาปะก็เกิดขึ้นฮีเรโอตาปะเกิดขึ้นอย่างนี้ศรัทธาก็เกิดขึ้นกรรมมัศกาาศรัทธาก็เกิดขึ้น เมื่อมีกรรมสกตาศรัทธาเข้าก็เริ่มรู้และอะไรเป็นกุศลอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอันนี้เรียกว่าสติสัมปชัญญะเพราะสติสัมปชัญญะแยกออกว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นกรรมฝ่ายดําฝ่ายขาวเมื่อจําแนกแยกแยะอย่างนี้เดี๋ยวสุดจริญสามก็จะบริบูรณ์เพันถ้าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องว่าเออจะไปล่วงทุจริตกรรมไม่ล่วง ก็คือถ้าเราเมื่อใดที่เราเห็นว่ากุศลเนี่ยนะมีค่าพอๆกับกระเป๋าสตางค์เนี่ยนะเราได้ยินบ่อยไหมคนทํากระเป๋าสตางค์ร่วงเป็นปกติได้ยินบ่อยไหมทําไมอ่ะไม่ค่อย น, อนันเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยที่มานั่งฟังทำเนี่ยไม่เห็นใครทําสตางค์หล่นสักทีเลยนะที่มาเก็บโอ้เนี่ยวันนี้เด็กเก็บได้หมืน่นสองหมืน่นเลยไม่ค่อยมีอะ่ะทาไมเหตุผลสองอย่างก็ไม่มีขนาดนั้นอย่างหนึ่งนะอย่างที่สองก็ระวังไว้แจ ระวังไว้ดีนะที่ระวังไว้ดีเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่านี้มีค่านี้มีค่าก็เลยอะไรนะที่มาของการมีซิป บ, บ้างมีอะไรมีกุญแจล็อกกุญแจอะไรสรารพัดเนี่ยนะเพื่อมังอะไรนะโอ้โหรักษาอย่างดีเยี่ยมชันใดเมื่อไรเราถึงมองว่าเห็นสนี่มีค่าเหมือนกับทรัพย์สีนะอะไรนะศนะีลทนังนะทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือหีริทรัพย์คือโอตตปะทรัพย์คือสีนทรัพย์คือสุตตะทรัพย์คือจารค่ะ ซับคือปัญญาที่เรียกว่าอริยรัพย์อริยธนะเจ็ดประการเนี่ยนะถ้าหากว่าเรามองเห็นว่ากุศลเหล่านี้กุศลที่เป็นศีลหิริโอตะปะเป็นทรัพย์จริงๆเนี่ยนะนั่งที่ไหนก็ไม่ร่วงระวังแจเลยใช่ไหมกลัวหายมากเลยนะพอหายแล้วรู้ว่าเดือดร้อนแน่เดินทางต่อไปไม่ได้ในวัตฏะถ้าหากว่าเสียหายหมดอริยซับนั้นถ้าอย่างนี้ดียังไงสุจริตก็ต้องประพฤติอยู่แล้วถ้าสุจริตดีอย่างนี้เนี่ยนะสติปัฏฐานหรือเรียนอริยสัพ์ไม่ไม่สู้มีปัญหาเท่าไหร่ ไม่ยากหรอกแต่ที่มันยากเพราะฐานล่างๆไม่ค่อยดีหรือเริ่มต้นไม่ดีที่เริ่มต้นไม่ดีเนี่ยนะพูดบอกง่ายๆก็คือไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิอะไรเลยไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิเลยแม้กระทั่งการฟังทำก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยฟังแล้วไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิตั้งจิตเอาไว้ไม่ดีคือคือจะทําเป็นทําตัวเป็นคนรู้ไปทุกเรื่องนะทําไมเก่งขนาดนั้นก็ไม่ทราบทําบุญอะไรมาเนาะ ทั้งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพอไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเศรษาเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดศรัทธาเนี่ยนะฟังธรรมเพื่อให้มีศรัทธาเพื่อให้เกิดวิริยะเพื่อให้เกิดสติเกิดสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาการฟังธรรมแต่ละครั้งก็เพื่อบ่มโสตาปฏิยังฆธรรมสี่ประการการฟังธรรมแต่ละครั้งก็เพื่อส่งเสริมสัมมปทานสี่ของเราเพื่อให้สติปฐานสี่มีกําลังยิ่งขึ้นเพื่ออบรมฌานสี่เพื่อให้มีปัญญาเห็น อริยศาสตร์สี่ไม่ใช่ว่าฟังวันนี้แล้วก็รู้ได้ทันทีเลยเพราะผู้ที่ศึกษาธรรมะโดยที่ตั้งจิตเอาไว้ไม่ชอบทำเนี่ยนะฟังจะเอาบุญไพล่ไปได้บาปอยู่นะเหมือนอย่างว่าคนคิดจะทลลําบุญไพ่จะทําบาปถ้าอย่างนั้นก็กลายเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเลยเพะนั้นอัตตะสั ม, มาปณิธิการตั้งจิตเอาไว้ชอบเนี่ยนะ การศึกษาปริยัติธรรมในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะท่านก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1นึ่งเรียกว่าอลคักขโทปมาปริยัตปริยัตประดุดอสอรพิษเรียนปริยัตประดุดจับงูพิษที่หางอันนี้อย่างที่หนึ่งนะอย่างที่สองเรียกว่านิสรณนัทธปริยัตเรียนปริยัตเพื่อหรือเพื่อประโยชน์แก่การที่จะถอนตัวเองออกจากวะะัฏะปริยัตอย่างที่สามคือตามรักษาคําสอนอันเป็นแบบแผนอย่างดีเรียกว่า พันดาคาริกะปริยัติทีนี้ปุตตชนทั้งหลายกลุ่มที่แรกกลุ่มที่หนึ่งาเรียกว่าอลาคะฆาทูปมาปริยัตินี่ก็คือเรียนปริยัติเพื่อข้อแรกเลยไม่ให้ใครดูหมิ่นเราไม่ต้องการให้ใครมาดูถูกเยียดยามเราว่าเราเป็นคนไม่รู้อะไรเลยบอกเราก็หนึ่งในปัตตพีเหมือนกันเหมือนนนะนะเอาก็ใช่แล้วล่ะไม่มีสองหรอกเพราะไม่มีแฝด หรือแฝดยังไงก็ไม่เหมือนกันนหก็หนึ่งในปฏิพีแล้วล่ะจริงๆลืมไปว่าตัวเองก็หนึ่งในแผ่นดินอยู่แล้วล่ะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแต่แต่พวกนี้กลายเป็นว่าต้องการเพิ่มมานะขึ้นว่าเราก็คนหนึ่งนะเนีย่ยนะเพราะอันนี้พวกนี้ก็ลักษณะอย่างนี้ก็เป็นอระคทูประมาปริยัตเรียนปริยัตประดุดจับงูพิษที่หางเพราะเรียนเพื่อต้องการส่งเสริมมานะ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียนเพื่อลาบสการะเพื่อคําสรรเสริญเพื่อคํายกย่องอ น, นะเพื่อบางคนก็เรียนไว้แก้ต่างตัวเองเวลาตัวเองทําชั่วไปทําอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งก็เอาปริยัตินี่แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องแก้ต่างให้แก่ตัวเองเป็นต้นกลุมอย่างนี้แหละเรียกว่าอรักขู ป, ปมาปริยัติอัตถกถาท่านบอกว่าถ้าจะเรียนแบบนั้นนะเรียนเพื่อ อ, อวดเรียนเพื่อลาบเรียนเพื่อคํายกย่องสรรเสริญเรียนเพื่อสิ่งเหล่านี้ ไปนอนซะเถอะเนี่ยนะนะกินยานอนหลับก็พักผ่อนได้เลยทำใจให้สบายหลับไปนะนะเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตกนรกเพราะสิ่งนั้นเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันแล้วแต่นำเอาไปใช้จริงๆใช้ผิดก็ตกนรกเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ผิดอย่าใช้เลยเนี่ยนะเอาไว้ก่อนเนี่ยนะวันหลังมีศรัทธาแล้วค่อยวหวอีกทีนะถ้าวันนี้ยังไม่มีศรัทธาก็จงอะไรนะพักไว้ก่อนองนั้นะ พันพวกอลาคทูปมาปริยัติเนี่ยนะถ้าเรียนเพื่อส่งเสริมมานะของตัวเองเรียนเพื่อลาบสการะเรียนเพื่อไม่ให้ใครดูถูกดูแคลนดูมิน่นเรียนเอาไว้แก้ต่างตัวเองกลุ่มเหล่านี้จะเริ่มไปเบียดเบียนคําสอนขึ้นจะเริ่มไปทําลายคําสอนเริ่มไปเบียดเบียนคําสอนว่าคําสอนนี้ไม่ดีอย่างนั้นคําสอนใช่ไม่ได้อย่างนี้ก็เริ่มไปตําหนิคําสอนเหมือนตาบอดวิจารณ์สีหูหนวกวิจารณ์เสียง แต่แต่วิจารณ์สีของพระราชานี่สิตาบอดวิจารณะพระราชารูปนี้เป็นยังไงนะนก็คอขาดง่ายๆเนี่ยนะยิ่งวิจารณ์พระพุทธเจ้าวิจารณ์พระตัตนตรยัยด้วยใจที่เป็นบาปพระองค์ไม่ได้ฆ่าหรอกแต่ว่าจิตที่เป็นบาปที่อยู่ในตัวนั่นแหละเป็ น, เ ป, นเป็นเครื่องฆ่ามันก็มีโทษมหาศาลทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาคําสอนโดยตั้งจิตเอาไว้ไม่ชอบธรรมก็กลายเป็นผู้ทําลายคําสอนเสียเองเี่นะ ก็ไม่ต้องแปลกใจทำไมสังสารวัตมันยืดยาวนานขนาดนี้กันก็เพราะเราต้องปฏิบัติผิดในคาสอนแน่นอนถ้าข้อความในอละ ร, ระคะทูปมะสูตรเนี่ยนะเขาบอกว่าพวกที่ทำลายคำสอนเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือทำลายจริงๆกลุ่มที่สองผู้ที่ตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราก็ชื่อว่าทำลายคำสอนด้วยนะพอฟังในแง่นี้ตกใจเลยเอ้เราก็ทาลายเหมือนกันนะ ถ้าเราเห็นว่านั่นของเรานั่นก็เรานี่ก็อัตตาของเราก็เป็นกา ร, รส่งเสริมอะไรตันหา ม, ามานะทิฐิถ้าส่งเสริมตันหามานะทิฏฐิมีไหมในคําสอนในมีเพราะเรามีมาะนะเมื่อไหร่เราก็เป็นคนทําลายคําสอนตัวเองมีทิฏฐิเมื่อไหร่ก็ทําลายคําสอนตัวเองมีตันหาเ ม, like มาื่อไหร่ก็ทําลายคําสอนตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นก็เอเอาไปเอามาเราก็มีตัวเหมือนกันนะเนี่ยนั้น <Banana. S 2> ถ้าเรามองเห็นดอกไม้สวยเพลินงามมากก็เออทําลายศีกขาเลยนะ พราคิดอย่างนั้นมีศีลสิกขาไหมไม่มีมีจิตสิกขาไหมไม่มีมีปัญญาสิกขาไหมไม่มีคําสอนพระพุทธเจ้ามีไหมเกินสิกขาสามไม่มีเมื่อไม่มีเราก็เป็นคนทําลายสิกขาสามด้วยตัวเองเนี่ยนะท่านก็ผู้ที่ทําลายมีอยู่สองกลุ่มคือทําลายเนื้อหาจริงๆอย่างที่แรกนะอย่างที่สองก็คือทําลายด้วยการไม่ปฏิบัติตามไม่ไม่ปฏิบัติตามเพราะคนเหล่านี้ก็เรียกว่าร้องเรียกพระพุทธเจ้าด้วยความเป็นศัตรู ไม่ใช่ร้องเรียกพระองค์ด้วยความเป็นมิตรนะนะก็ดูในสุญญตาสูตรนี่กล่าวว่าอย่างนั้นอย่าได้ร้องเรียกพระองค์โดยความเป็นศัตรูเลยให้ร้องเรียกพระองค์โดยความเป็นมิตรเถิดเพราะอะไรเพราะนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายแต่ถ้าร้องเรียกพระองค์โดยความเป็นศัตรูล่ะนั่นจะเป็นไปเพื่อทุกขเพื่อโทษสิ้นกาลนานทีนี้พวกกลุ่มนิสรณะปริยัติเนี่ยนะ เรียนพระธรรมคําสอนเพื่อนิสระณะก็คือเพื่อถอนออกนะสระถะอัถะตัวหลังก็คือเพื่อประโยชน์แก่การถอนตนออกจากวัตะวิธีการเรียนนี่เรียนอย่างไรก็คือฟังศึกษาให้เข้าใจว่าตรงนี้เป็นศีลศีลเป็นอย่างนี้ศีลดีอย่างนี้แล้วก็ตั้งจิตว่าเราจะต้องทำศีลเหล่านี้ให้บริบูรณ์ตรงนี้เป็นสมาธิเนี่ยนะตรงนี้เป็นสัมมาสติสัมมาวายามะเออตรงนี้เป็น จิตตศึกษาตรงนี้เป็นเมตตาเป็นต้นก็สมาทานที่จะประพฤติตามนั้นตอนนี้ยังทําไม่ได้แต่ก็ต้องทําใจว่าสิ่งนี้ควรเจริญนะสิ่งดีดีสิ่งนี้มีคุณสิ่งนี้จะต้องตั้งใจต้องต้อ ง, ต, งอตั้งอัตตาสัมมาปณิทิเพื่อปฏิบัติอย่างแท้จริงตรงนี้เป็นปัญญานะตรงนี้เป็นทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมันก็ต้องตั้งจิตเอาไวใ้ให้ให้ดีๆเลยว่าเราจะต้องเจริญตามนี้ปฏิบัติตามนี้ จะต้องให้เห็นสิ่งนี้เพราะหลายคนคงไม่บอกขอบรรลุอริยสัจนอกนอกแนวพระพุทธเจ้าใช่ไหมเราต้องอะไรนะตั้งความปรารถนาพระพุทธเจ้ารู้ทําใดให้ข้าพเจ้ารู้ทํานั้นด้วยขอข้าพเจ้าอย่าได้รู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่รู้เลยอย่างไงหรือที่พระพุทธเจ้าไม่อยากให้รู้เลยอย่างไงยขอให้รู้แนวเดียวกันนะ่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าอะไรนะเราต้อง พระพุทธเจ้ากําหนดรู้ทุกอย่างใดก็ขอให้เรามีส่วนในการกําหนดรู้ตามนั้นด้วยพระพุทธเจ้าละกิเลสอย่างใดขอให้มีส่วนแห่งการละเหล่านั้นด้วยพระพุทธเจ้ารู้แจ้งทำใดมักใดผลใดนิพพานใดแล้วดับทุกได้ให้เรามีส่วนรู้เห็นธรรมนั้นด้วยเถอดเรต้องตั้งจิตอย่างนี้นะไม่งั้นเนี่ยบรรลุมักผล น, นิพพานแต่คนละอยากก่างการคําสอนเนี่ยนะมีไม่สมัยใหม่เป็นเรื่องปกติเนี่ยนะดีไม่ดีนับถือพระพุทธเจ้ากันคนละองค์แล้ว ไม่รู้ของมาตอนนี้ขอนับถือพระพุทธเจ้าองค์ที่ตรัสรู้ที่พุทธคยาน่ยนะขอเอาองค์นั้นแหละองค์อื่นไม่เอาองค์ที่ตรัสรู้ที่โบสอื่นๆไม่เอาเอาที่บรรลุตรงนั้นน่ะท่านบรรลุอะไรหนอะองค์ที่ประสูติที่ลุมพินีอ่ะแล้วก็บวชมาที่ราชจักึกแล้วมาตรัสรู้ที่พุทธคยาแล้วไปสอนธรรมจักที่พารณสีเนี่ยที่ปรินิพานที่กุสินาราขอเอาองค์นั้นแหละ องค์นั้นท่านพูดอะไรท่านคิดอะไรท่านบรรลุอะไรท่านบรรลุว่ายังไงเนี่ยนะขอเอาองนั้นก่อนนะองคอื่นค่อยว่าอีกทีเดี๋ยวชาติหน้าถ้าไม่บรรลุยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่เห็นไหมนั้นกะ็ ข, น ข, อขอเอาองนั้นเถอะพระพุทธเจ้าองค์นั้นท่านตรัสรู้อย่างไดหนอใช่ไหมที่พุทธคยาท่านตรัสรู้ว่าอย่างไรขอรู้ตามนั้นนั่นแหละ ก, การเรียนแบบนี้เป็นลักษณะของนิสรณัฐปริยัตเรียนเพื่อนําตนออกจากทุกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทําใดแล้วพ้นทุก ข, ขอรู้ธรรมะนั้นด้วย วันนี้ยังไม่รู้แต่จะต้องรู้สักวันหนึ่งเถอะนะพั้นการตั้งอัตตาสัมมาปณิที่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณมากที่สุดนะถ้าเราไม่ตั้งจิตไว้แบบนั้นเนีเดี๋ยวไม่นานเราก็จะเลื่อนลอยกันเลื่อนลอยไปยังไงลอยก็ลอยไปโน่นทีลอยมานี่ทีลอยไปลอยมาตายเฉบอะไรยังไงนะลอยปัญหาที่จุติจนได้เนี่ยเดือดร้อนแล้วเพราะฉะนั้นยังไงก็อะไรร่างกายจะสลายไปก็ขอให้ใจเนี่ยได้เกาะเกี่ยวไว้กับ พระธนทรัยเนี่นะยังน้อยๆชาติหน้าก็ไปเรียนต่อกับท้าวสักกะก็ยังดีนะไปเรียนต่อกับอะไรนะผู้ที่เขาบรรลุมรรคผลไปเรียนอะไรนะคุณกันตาว่ากันนะไปเรียนต่กับสริมหามายาเทพประบุษนะขอเป็นบริวารท่านอยู่ที่ดุสิตอะไรเงี้ยนะก็ไปเรียนต่อที่นั่นแต่ถ้าไม่อย่างนั้นก็โหไปเรียนกับหลวงพ่อ น, นี่ไม่ไหวแน่หลวงพ่อไหนหลวงพ่อพระเทวทัตหลวงพ่อกะปิละอะไรเงี้ยเดือดร้อนแน่ถ้าอย่างงี้ยลำบากแน่ไปอยู่ที่นั่นไม่ได้เรียนหรอก โมเตอร์ร้อนท่านจะ ต, ตั้งจิตให้ดีๆให้เป็นนิสรณธาประยัติ์มันการศึกษาเนี่ยพยายามตั้งอัตตสัมมาปณิทิอวให้ดีพระองค์ตรัสว่าอย่างไรพระองค์อยากให้เรารู้อะไรพระองค์อยากให้เราเจริญอะไรเราพยายามคิดตามท่านเธอถ้าพูดก็พยายามจะพูดตามท่านเธอทําไมต้องพยายามเพราะมันฝืนใจเราอยู่แล้วปกตินะคาสอนพระพุทธเจ้าฟื้นใจเราหมดเลยฝื้นทุกเรื่อง อย่างท่านบอกว่าความกโกรธไม่ดีถ้าท่านมีเรื่องให้กโกรธเราเราจะเลือกเอาเชื่อพระพุทธเจ้าหรือว่าเชื่อใครถ้าเรากโกรธตึงหิตตึงหิขึ้นมาเนี่ยมันเลวมากนะไอตัวความกโกรธอันนี้เลวมากเลวมากเลวมากเราว่าอย่างนี้ไหมอ่ะสิ่งนั้นนะ่ะแกเนี่ยเลวมากแกทําให้ฉันกโกรธเงนะี้ยนะพันเราเลือกเชื่อใครดีไม่เขไม่ค่อยเชื่อพระพุทธเจ้าง่ายๆหรอกเชื่อเขานั้นตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะตอนนี้ยังไม่ได้เห็นตามทั้งหมดแต่ก็ขอสมาทานโอนตามที่จะเห็นตาม พระพุทธเจ้าโอนไปตามจริงๆเนี่ยนะอย่างสมมุติว่าอย่างเราความโลภนะพอฟังในอยู่ในชั่วโมงธรรมะเนี่ยโอ้ยโลภมันไม่ดีมันเร็วมากมันโปรโนพวิกามันนําเกิดนันที่ราคาสหากตาประกอบด้วยความเพลิดเพลินนาเกิดในภพใหม่นะพวกเราเนี่ยก็ตอนทานอาหารอร่อยๆนี่อื้ือ่จะเพิ่งพูดธรรมะนะเอาไว้ก่อนเ <c oughs> <c oughs> พราะเราก็แสดงว่าเห็นความโลภว่ามันดีแต่คําสอนบอกว่าตัณหานี่ดีไหม ไม่ดีตันหาเนี่ยนะคนโลภย่อมไม่รู้อาจคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดความโลภครอบงําก็มึดไปหมด น, นะนะตัวความโลภตัวนี้แหละที่ทําให้เกิดในภพใหม่ตัวสังโยที่พันเอาไว้ในวัตฏะเนี่ยไม่มีอะไรเสมอด้วยตันหาเป็นต้นแต่เวลาตันหาเราเกิดนะเราไม่บอกว่ามันเร็วหรอกเราก็บอกมันใช้ได้ใช้ได้ไม่เป็นไรมันจะแหมมันโลภ บ, บ้างก็เรามันปู่ตูชนแหมอนุรักษ์นิยมพวกนี้ชอบอนุรักษ์นิยมอะนะยินดี อยไปที่ไหนนะเสนอตัวเลยบอกเรามันปู่ตุชนเขาว่างัน้นดีไม่ดีจะเป็นคาราวา ด, ดวยบอกว่าเรามันคาราวาดเอาซะจนตัวเองคือหมายความว่ามีเหตุผลจนทําบาปบ้างก็ไม่เป็นไรนะะก็เหมือนคารว่านะนะมีเหตุผลจนต้องว่าน่าจะบิดปากจะเบี้ยวอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรมีเหตุผลสมควรหมดเลยฉะนั้นถ้าผู้ที่ไม่มีอัตตะสัมมาปณิทิไว้ดีเนี่ยจะตั้งจิตเอาไว้ผิด เมื่อตั้งจิตเอาไว้ผิดคำที่เขาพูดไปแต่ละคำเขาไม่รู้หรอกมันเสียหายแค่ไหนไม่รู้นะว่าวาจีทุจริตเหล่านั้นเสียหายขนาดไหนเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยพยายามเธอตั้งอัตตะสัมมาปณิทิไว้เธอว่าพระพุทธเจ้าแสดงอย่างไรพยายามที่จะเห็นตามท่านถ้าเราเห็นยังไม่เห็นตามก็กลับใจเสียใหมเ่เถอะนะพยายามยินดีที่จะกลับยินดีที่จะปรับยินอย่าได้อนุรักษ์นิยมเลยใหพ้พยายามที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนเอาไว้เสมอๆ เ, เอามไหมรักษาความเป็นปุตุชนได้ตลอดไปไม่เอาก็แสดงว่ายินดีที่จะปรับปรับให้เป็นอริยชนขึ้นปรับจากผู้ไม่มีศีลเพื่อให้มีศีลในอัตตะสัมมาปณิทิในมงคลเนี่ยท่านให้สมทานอย่างนั้นเลยว่าตั้งจิตเอาไวเ้เถอะจากไม่มีศีลก็ให้มีศีลถ้าเพิ่มไปกว่า น, นั้นอีกก็จากไม่ได้อบรมสมถะก็ขอให้ได้อบรมสมถะไม่ได้เจริญวิปัสสนาก็ขอให้ได้เจริญ วิปัสนาตั้งอัตตาสัมมาปณิทิย่างนี้ไปเรื่อยๆพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสบอกเราไม่สรนเสริญในการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมถ้าเจริญเท่าไหรนะ่และอนุรักษ์นิยมได้เท่าเดิมนะเช่นสีหน้าตลอดกาลอย่างเงี้ยนะอ่านสูตรไหนก็จําได้อยู่สูตรเดียวตลอดกาลเนี่ยนะเขาบอกพระ อ, องค์ไม่สันเสริญการหยุดอยู่แห่งกุศลธรรมจะกล่าวไปยายถึง กุศลมันลดจะกล่าวไปยายถึงกุศลมันลดขนาดกุศลหยุดอยู่ตั้งอยู่เป็นทิติภาคยะพระ อ, องค์ยังไม่สรรเส ร, ริญจะกล่าวไปยายถึงหานาภาคยะพระ อ, องค์สรรเสริญวิเศษภาคยะและนิเ พ, พทภาคยะเพราะการเจริญกุศลเนี่ยจะต้องหมั่นสมาทานบ่อยๆว่าเราจะต้องเห็นตามที่ต้องรู้ตามพยายามจะคิดตามทำยังไงนะจะเห็นเป็นทิฏฐิวิสุท ธ, ธิอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นอย่างนี้เป็นวิธีทิฏฐิวิสุท ธ, ธิหรือยังวิสุท ธ, ธิ แค่ไหนจริงจะบริสุทธิ์แค่ไหนจริงจะบริบูรณ์อะไนามรูปเป็นอย่างไรขันธ์หเป็นยังไงอายตนะเป็นยังไงธาตุเป็นยังไงอินทรีย์พละเป็นอย่างไรอดีตเนปะ็นยังไงอนาคตเป็นอย่างไรเนีเ่น ย, ย, าายจะต้องวิจัยวิจารณ์ให้ละเอียดละ อ, อีถี่ท้วนแล้วปัจจัยแห่งกุศลเหล่านี้เกิดจากอะไรแล้วปัจกุศลเหล่านี้เมื่อให้ผลถึงที่สุดมันถึงที่ไหนอากุศลเป็นเหตุปัจจัยอย่างไรวิบากทั้งหลายที่เกิดในภพต่างๆนี้เกิดมาอย่างไร กิริยาทั้งหลายเป็นอย่างไรในปัจจัยแห่งทั้งรูปธรรมและนามธรรมปัจจัยแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะต้องมาวิจัยให้ละเอียดเลยจะต้องตอนต้นๆเนี่ยนะโอ้ยฟังก็ยังยากเลยนะแม้แต่ชื่อยังไ่ไม่ค่อยถูกเลยใช่ไอย่างคุณจริพรเล่าว่าชื่อยังจําไม่ค่อยจะได้เลยอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรยพยายามที่จะรู้ตามเถอะมันได้วลกี่คําก็เอาเหอะเอาตามเท่าที่ได้เท่าที่จะได้ เพรได้เท่าไหร่ก็เป็นบุญของเราเท่านั้นได้เท่าไหร่ก็เป็นอริยทรัพย์ของเราเท่านั้นแต่เราก็ยังไม่ต้องเอาเราไปเปรียบกับพระสารีบุตรทันทีเลยหรอกนยังไม่ต้องเอาเราไปเปรียบกับพระมหาโมคขลานะทันทีหรอกแม้พอไปอ่านเขามีคนสมัยใหม่นะไปอ่านประวัติพระสารีบุตรก็จะเป็นพระสารีบุตรอีกแล้วไปอ่านประวัติพระโมคขลานะอจะเป็นพระโมคขลานะจะไปเหาะอีกแล้วไปอ่านพระมหากระสปะจะไปอยู่ปลาอีกแล้วอ่านพระอนุนจะมาส่งพระไตรปิฎกอีกแล้ว อ่านพระเรวตตาเขาจะไปอยู่ปลายแล้วไงก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างเลยคนนี้ท่านก็ขอให้สมาทานให้มันได้เถอะได้แต่ละอย่างได้มากได้น้อยก็ให้ให้ยินดีก็อย่างที่ที่ชอบอย่างหนึ่งคืออริยะวงเนี่ยท่านบอกว่าผ้ารยะเนี่ยนะผู้ที่อยู่ในวงของพระอริยะผู้ที่มีแนวโน้มจบับบรรลุตามผ้าอริยะคืออะไรคือบุคคลที่ยินดีมากมีความสุขมากที่ได้ละอกุศลนั้นๆออกไป เราเคยดีใจไหมที่ละอกุศลแต่ละอย่างแต่ละอย่างออกไป้วันนี้นะเหตุ <c oughs> การณ์นี้เราไม่กโกรธได้แมดีใจจริงเลยที่เราไม่กโกรธเรื่องนี้อ้เรื่องนี้มันน่าชอบมากแต่เราไม่ชอบแมมทาใจได้้ดีใจจังเลยเนี่ยนะดีใจที่ละความโลภความโกรธ ด, ดีใจจังเลยที่เราไม่หลงงมงายในสิ่งนั้นก็ดีใจในการละอกุศลแล้วก็ดีใจในการเจริญกุศล เมื่อเจริญกุศลแม้แต่เพิ่มในทีละนิดทีละหน่อยก็ดีใจในความเจริญเติบโตแห่งกุศลเสียใจมากที่อกุศลมาเล่นงานเสียใจมากที่กุศลไม่เจริญเนี่ยนะดีใจมากที่ละอกุศลดีใจมากที่ได้เจริญกุศลถ้าปฏิบัติตามนี้ก็อยู่ในแนวอริยวงวงของพระอริยเจ้าแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ให้สมาทานเถอะสมาทานที่จะรู้ตามสมาทานที่จะเห็นตาม ทิฏฐิวิสุทธิ์ที่นี่มันเกิดจากการสมาทานที่จะรู้ตามเห็นตามไม่ใช่เกิดจากการไปคาดเดาเดาเอาว่ามันอย่างนั้นมัง่งอย่างงี้มัง่งไม่มีถูกสักทีคนที่เดาถูกคือพระโสดาบันเป็นต้นแต่ว่าพระโสดาบันท่านก็ไม่คาดเดาท่านธรรมะเนี่ยการศึกษาเนี่ยไม่ใช่อยู่ในวิสัยแห่งการคาดเดาศึกษาโดยหลักวิชาให้เข้าใจว่าหลักเนื้อหาวิชานั้นเป็นอย่างไรทิฏฐิวิสุทธิ์ที่นั้นเป็นอย่างไร เมื่อทิฏฐิวิสุทธิ์เป็นอย่างไรทำอย่างไรเราจะเห็นตามรู้ตามเห็นตามรู้ตามรู้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วเนื้อหาท่านว่ายังไงแล้วก็สอบสวนกลับไปกลับมากลับมากลับไปอยู่อย่างนี้แหละอันนี้เป็นการ